คิดของเราดูเหมือนว่าความจริงของธรรมชาตินะครับซ่อนตัวอยู่ซึ่งซึ่ ง, งหน้าดังนั้นด้วยอาศัยสื่อภาษาซึ่งเป็นที่หมางความคิดรังแต่ทำให้จิตสร้างโลกของมันเองขึ้นเรามักได้ยินในนามของข้อสมมุติและมักจะได้ยินคู่เปรียบว่า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 ไม่ว่าจเป็นลิงหรือเป็นไก่หรือปลาลิโนอกจะรู้สึกว่าดินนี่แล้วกับทองคํานั้นแตกต่างกันไม่มากอาจจะต่างในสีสันแต่มูลค่านั้นถ้าเทียบกันคือเป็นศูนไม่ได้เป็นบาทไม่ได้เป็นสตางไม่เห็นเป็ดีไม่ได้ชัว่วในตัวมันเอง แบบคติธรรมโบราณนะครับว่าการที่เราได้พบปกันในห้องชุมนี้คติโบราณที่เชื่อกันเื่อกี้อา จ, จเป็นครั้งอดีตแต่ปางหลังเราเคยทำบุญ ร, ร่วมกันไว้เมื่อเฉนั้นทำไมต้องมาพบกันในพระกัมพีสักดิ์สิทธิ์โบราณพูดไว้นะครับว่า ผู้ที่รับพระพุทธศาสนาหรือมีความทราบซึ้งในคำสอนของพระเจ้านั้นครั้งอดีตเคยตั้งจิตปรารถนาจะเป็นพุท ธ, ธะมาแล้วทั้งสิ้นและผู้ที่เคยปรารถนาจะเป็นพุท ธ, ธะหรือเข้าให้ถึงพุท ธ, ธะก็จะรู้ธรรมะได้แต่ผู้ที่ไม่ปรารถนาจะเข้าให้ถึงธธก็จะรู้ธรรมะอีกหลักหน ล้ำเลิศที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบหรือประดิษฐ์ได้ไม่มีสิ่งใดที่มีออนภาพร้ายแรงเท่ากับภาษาหรือบทประมนูนหรือคิปรนาวุธหรืออะไรๆที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบที่มีสิทธิ์ภาพในการทำลายล้างสูงนั้นยังเป็นรอง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 คนที่จมในความคิดคือคนที่ขาดความสัมพันธ์โดยตรงกับปัจจุบันสุนานาคตนั้นเล่าที่จริงเป็นเพียงอดีต ท, ที่ทิ่มหัวไปข้างหน้าเท่านั้นเองที่คาดการไปกระบวนการดำเนิอยู่ของมนุษย์เรากลับกลายกระบวนย้อนหลังเมื่อผมคิดถึงจังหวัดที่เคยอาศัยอยู่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 แต่ถ้าว่าในขณะที่มโนภาพปรากฏขึ้นต่อจิตโปรดสังเกตผมใช้สองถ้อยคำนะครับว่ามโนภาพปรากฏในจิตเราจะถูกควบคุมดันทีจากมโนภาพนั้นเพราะเราไม่รู้ตัวครับแลวสิ่งที่เกิดในจิตทั้งหมดเป็นมายาภาพทั้งสิ้นเราสามารถนึกคิดได้สารพัดสิ่ง แต่ถ้าใ น, ในขณะที่มโนภาพเริ่มปรากฏขึ้นแล้วปรากฏกับจิตไม่ใช่ในจิตในขณะนั้นนั่นเองนะครับความลับของการดำรงอยู่ก็จะถูกเปิดเผยขนั่นคืออารมณ์แยกตัวจากจิตเมื่ออารมณ์แยกตัวจากจิตทั้งอารมณ์ทั้งจิตไม่มีรากทั้งคู่ครับเปรียบประดุดกับคลื่นสองลูกกับท่ากันเต็มแรง ันก็คือกระจายหายสูญไปหเราไปครอดูบางสิ่งดูนะครับว่าเรามีตาสำหรับเห็นรูปถ้าไม่มีรูปให้ดูเลยเนี่ยตามจะละลายไปด้วยครับแต่หากจะค่อย ห, หมดหน้าที่หรือแขนที่ใช้แกว่งไกวและจับต้องถ้าเราไม่ใช้แขนานานๆจะรีบครับมันจะรีบเข้ารีบเข้า ดุมันออยวะหรือองค์อินทรีย์ทุกส่วนมีหน้าที่ใช้สอยควบคู่กับอารมณ์ที่เข้ามาประกอบถ้าลามไม่ปรากฏอินทรีย์ก็จะหมดหน้าที่ลงหมดกิจลงในขณะเดียวกันเมื่ออินทรีย์ไม่ทําหน้าที่ของอินทรีย์อารมณ์ก็จะจบลงด้วยสองสิ่งนี้มาและไปด้วยกันดังนั้นในขณะที่ อารมณ์หนึงอดปรากฏกับจิตโปรดสังเกตอีกครั้งนะครับว่าผมผมไม่ได้ใช้คําว่าเกิดในจิตอารมเกิดในจิตนั้นเรารู้ไม่ทันเลครับเปรียบประดุจกับการฉายภาพยนตร์บนจอนะครับถ้าเราเพลิดเพลินท้องเรื่องที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นสรรแต่งขึ้นนะครับเราเข้าไปในเรื่อง ในเนื้เรื่องมีทั้งสุขทั้งเศร้าทั้งโศกทั้งอารมณ์ดีใจและเสียใจเราจะเพลินกับเนื้อเรื่องเหล่านั้นในภาพยนตร์แต่สมมติว่าเราเปลี่ยนท่าทีของการดูภาพยนตร์นะครับแทนที่จะดูเอาภาพยนตร์เอาเนื้อเรื่องเอาอารมณ์ตามท้องเรื่องเราการเป็นนักสํารวจอิสระเราดู ภาพหรือบางครั้งเราเปิดโทรทัศน์ที่ภาคบรรยายเป็นภาษาซึ่งเราไม่เข้าใจเราก็เห็นแต่ตัวละครอ้าปากหุบปากปากระพริกตาเดินหน้าเดินหลังเสียงได้ยินอยู่แต่เราไม่เข้าใจความหมายนั่นแสดงเราถอนตนจากการตามติดเนื้อเรื่องไปมาไปพนุ่มสารวจอิสรา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 เลื่อนความสังเกตจากการเข้ามาในในเรื่องมาสู่ภาพล้ ว, ลวนๆและเสียงล้วนๆซึ่งเราไม่รู้เรื่องไม่มีความหมายไม่ไม่นาเราไปสู่อารมณ์ใดเพียงได้ยินได้ฟังได้เห็นได้สัมผัสเท่านั้นเราเลื่อนมาเห็นลำแสงและในสุดเราเลื่อนมาถึงตัวเครื่องฉายจากนั้นอีกเสี่ยววินาทีเดียวเราเห็นคนหนึ่งยืนฉายสิ่งนี้อยู่ ผมสร้างอุปมานี้ขึ้นมาเพราะว่าจะค้นหาวิธีอธิบายที่ว่าเราจเจริญนิัพานานั้นเราต้องทําอย่างไรกรารเจริญนิพพสนาไม่ใช่การมุ่งคิดให้แตกหักในเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาทําอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ก็จะเป็นข่ายสมมุติทั้งสิ้นแต่เราคิดเป็นเดือนเป็นปีเป็นสิปีเป็น20 30ปีร้อยปีนะครับ อย่างดีที่สุดของการใช้ความคิดปรุงแต่งเพื่อเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมหรือธรรมชาติอย่างดีที่สุดก็คือเราปราดเปรื่องแตกฉานในความคิดแต่เมื่เราจะไม่สามารถนำผลได้อันนั้นไปจัดการกับความทุกข์ยากที่เราเผชิญหน้าจริงๆอย่างโดดเดี่ยวผมค็หมายถึงว่าแม้จะทำมากในแง่นั้นครับแต่ผลจะน้อยนิดมากๆ ซึ่งตรงข้ามกับการทำแม้น้อยนิดแต่จะมีผลมากมายอย่างคาดไม่ถึงนั่นก็คือการถอนตนจากความคิดค็อาจจะต้องตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเราถอนตนจากความคิดแล้วเราจะกลายเป็นคนไม่มีหัวคิดหรือเปล่าแล้วเราดะดนิรงชีวิตอยู่ในโลกที่ความคิดให้คมหมาย และสวัสดิการกับเราคนยิ่งคิดมากคิดเก่งคิดชัดเท่าไหร่เขาน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้คงไม่มี ใ, ใครโตยางยรือโตเถียงได้นะครับแต่ขอให้สังเกตริงหนึ่งก็คือเพราะความคิดมันมากมายใช่หรือเปล่าครับที่ทำให้เราทุกหนทุกวิกฤตการณ์ทั้งหมดมันมาทางความคิด เราก็ไปเชิญหน้าสองด้านแล้วครับทํอยังไรเราจริงจะไม่สูญเสียความคิดแต่เราไม่จาเป็นต้องทุกขกับความคิดด้วยื่อความต้องการของเราดูจะขัดแย้งอยู่ในตัวบางครั้งบางคืนนะครับเรานอนไม่หลับสาเหตุก็คือเราไม่อาจหยุดยั้งความคิดของเราได้เราไม่อยากจะคิดเลยเ่องนั้นเรารู้ดีว่าถ้าคืนคิดเราจะเจ็บปวดแต่อดไม่ได้เรารู้ดีว่ากรณีชนนี้เราจะไม่อยากจะโกรธ โกรธแล้วมันเหนื่อยเจ็บปวดโรคภัยไข้เจ็บจะรุมเร้าเราอยแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะต้องโกรธเรามีสติกันทุกคนนะครับมันไว้แต่เราเป็นคนวิกลจริตนั่นก็เป็นความพิการหรืออับพพับพระแต่คนทุกคนจะต้องมีสติแล้ววันลังเจะได้ยินถ้อยคําที่กล่าวว่าใช้สติตัวเดียวเนี่ยละทุกสิ่งทุกอย่างได้ผมคิดว่าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนครับ สติไม่ใช่ตัวเล่าเลยเป็นเพียงตัวการที่นําเราไปเชิญกับความจริงทั้งนั้นส่วนตัวเล่ามันอีกตัวหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการลังเลในข้อแนะนำผมนะครับผมจะยกพุทธภาสิตขึ้นมาสำทับไม่ใช่เพื่ออุดภูินะครับจริงพุทธภาษิตเหล่านั้นล้วนแล้วจะมีมิติที่ลุ่มลึกตีความได้หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นหรือที่สุดก็ได้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 ที่เป็นลูกมุรืนต่อหน้าลูกเรารู้สึกเราเป็นใครคนหนึ่ง ท, ที่ยืนอยู่ต่อหน้าแม่หรือลูกของเราอนนั้งอยู่อย่ใดครับภาพสะท้อนนั้นนนะครับเปรียบเหมือนภาพลวงตาในทะเลทรายหรือในฤดูร้อนที่อากาศร้อนจากทำให้เกิดชั้นบรรยากาศ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 เขาก็นำไปฝังครับตัวสมนัขก็กุดคุยฝังแต่ผมสังเกตดูเขาลืมไปวันสองวันเขาเขาลืมมันก so <we> ็ทําอะไรแต่มีวันหนึ่งขณะที่นอนนอนอยู่เขาสะดุ้งเขางงหัวขึ้นมาผมนั่งก้างๆเนื้อกอกเขาต้องคิดอะไรออกแล้วแล้วเขาวิ่งจ้งไปที่ตรงนั้นที่เขาฝังกระดูกคุยขึ้นมาแล้วกินมันแสดงเขาเพิ่งนึกออกครับความคิดนั่นเองปรากฏขึ้นในจิตของเขา มิติทางความคิดก็คือมิติความจําในสิ่งอดีตในการกระทําครั้งอดีตในความรู้สึกครั้งอดีตเพราะนั้นคนที่ฝังแน่นอยู่ในการกระทําความรู้สึกความจําครั้งอดีตอาจจะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากนะครับแล้ววันหนึ่งเราก็พบว่าในความหลักแหลมของความทรงจํานั้นได้ก ล, กลายเป็นวัวพันหลัก เชืว่าทุกคนหลายคนคงเข้าใจคําวัวพันธุ์หลักแต่ถ้าคนรุ่นใหม่อาจจะลําบากครับเพราะไม่ค่อยเห็นไม่คอยเห็นวัววัวที่มันดิ่นจะหนีไปกลางทุ่งไปกินหญ้ามันยิ่งดิ้นแถลนียิ่งพันตัวมันเองเข้าในสุดวันถึงช่วขณะหนึ่งก็ล้มตึงทุกทกขณะกระแสความคิดไหลผ่านเราครับแล้วสิ่งที่เรียกกันว่าอาสวะ ผ่านก็ามาทางความคิดกระแสอาสวะไหลต่อเนื่องอยู่ในตัวเราครับโดยที่เราไม่รู้ตัวังนั้นหลักธรรมในพุทธศาสนานั้นชี้ตรงไปสู่การทำลายความไม่รู้ตัวครับเพื่อเข้าไปตัด ก, กระแสอาสวะที่ไหลอยู่ลึกที่นี้ผมพูดเอ่ยถึงคำว่าสตินะครับที่เราคิดว่า สติทำให้ละกิเลสลาข้าโทสะโมหะหรือบางคนนัดอธิบายขยายว่าถึงขนาดละอาสวะได้ด้วยแต่ทั้วไม่ตรงตามที่เป็นจริงครับสติในความหมายคำ ว, ว่ารู้ตัวนั้นมีความหมายหลายซับหลายช้อนพระองครงตรอสว่าสติเป็นสิ่งที่ดีแต่สตินั้นละเวนหาได้ไหม เวรคืออะไรครับอย่างตอนเราเป็นนักเรียนนี่ครูก็จัดให้ทําเวรสมัยนี้คงไม่มีแล้วครับสมัยโบราณต้องจัดเวรแล้วก็อยู่เวรเฝ้าเวรถึงเวลาต้องทำนม้นเวรก็คือกรรมคุณห้านั่นเองครับถึงเวลาต้องอยู่เวรอีกแล้วต้องไปกระทําันอีกแล้วครับในการเสพในการกินในการอะไรสุดแท้นะครับดังนั้นสติละเวรไม่ได้ครับเหมือ น, นเวลาเราโกรธ เราเรารู้ตัวเราโกรธแต่เราโกรธแต่เรายังโกรธอดโกรธไม่ได้ผมเคยเล่าให้วางท่านในที่นี้ฟังอยากจะเล่าซ้าอีกด้วยคิดว่ามันมีประโยชน์อยู่ไม่มากก็น้อยครับสมัยผมเป็นหนุ่มอยู่เคยไปศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์ท่านท่านสนอนดีมากครับโดยหลักโดยทฤษฎีแล้วคิดว่าถูกร0 0เซนนะครับถูกต้องทอย่าง ให้่นสอนเหมือนที่พวกเราส่วนใหญ่ทราบกันดีว่าเมื่อราคะก็ดีโทสอบโลภโมหะเรากดขึ้นให้เรามีสติกําตรู้ว่าราคะเกิดขึ้นแล้วแล้วให้คิดเจรนาว่าราคะนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของจิตตนของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยหลักทฤษฎีแล้วไม่มีอะไรน่าสงสัยคลางแคลงว่าจะปิด เชื่อฟังตามนั้นนะครับก็ปฏิบัติตามแต่โดยประสบการณ์ส่วนตัวของผมแล้วพบว่าหนักขึ้นครับเพราะมราคะโทสะโมหะเกิดไปดูมันเข้ามาันเลยจำอารมณ์นั้นครับจิตทุกคนธรรมด า, ท, าทั่วไปเห็นอะไรมันจะจำอารมณ์นั้นทันทีดังนั้นยิ่งจำมันไว้เท่าไหร่ยิ่งหนักขึ้นรงนแังขึ้นทุกทีทุกทีแทนที่จะเบาโปร่งสบายสบาย ผมติดตันมงินปัญหานี้นานปีมากครับนานนับสิบปีครับเป็นสิบสิบได้ครับไม่ใช่วันสงวันกว่าจะคลี่คลายฐานการณ์ได้นะครับก็เล่นน้นเหน็ดเหนื่อยและยุ่งยากมากครับการคลี่คลายฐานการณ์นั้นผมเพิ่งมารู้ด้วยตัวของตัวเองนะครับว่าที่พ่อได้ดูงตัวเองยหมายมไม่มีใครมาแนะนำอีกนะครับก็คือ แทนที่จะดูราคะโทสะโมหะผมต้องสำรวจพุ้นใจก่อนหน้าที่ราคะโทสะโมหะปรากฏนั้นให้แนบแน่นใ ห, ให้เป็นเนื้อเป็นตัวเลยเนั่นคือแทนที่จะเอาตัวโทสะราคะโมหะต้อาตัวไม่มีนะครับเอาตัวไม่มีเป็นฐานปกติที่เรานั่งอยู่อยงนี้นะครับไม่มีครับผมเชื่อทั้งนั้นนะราคะก็ไม่มีครับโทสะก็ไม่มี ถ้าใครอยากจะด่าผมนี่ผมยินดีให้ด่าเอาเลยครับแต่เราสึกเราไม่อยากด่าเราไม่อยากมีมันแต่เราอาจจะมีมือหาวบ้างที่ลืมลืมตัวหรือรนั่งนั่งเข้าไปในความคิดเป็นมือหาวอยู่บ้างแต่โดยพื้นเพแล้วเราจะไม่มนะีแต่ในขณะที่เราไม่มีโทรศัท์โลภะเหล่านี้เรามักจะไม่เข้าใจครับเราก็ปล่อยใจคิดนึกไปเล่นไปเรื่อยแทนที่จะดูมันแล้วก็ทำความแ น, น่นสนิทสนม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 แล้ไม่ใช่ขนาดที่เราต่อสู้เพื่อจะละราคะและโทสะละโมหะแต่ถ้าแมน้นเราคุ้นเคยกับภาวะที่ปราศจากราคะโทสะละโมหะแล้วครั้นราคะความคิดที่นึนราคะโทสะละโมห์ปรากฏมันจะไม่เอาเองครับเราไม่ต้องละนะเมื่อเราไม่ต้องการมันมันไม่น่าจะอยู่กับเราผมผมพูดอะไรคล้ายๆหรือเปล่าครับว่ราราคะหรือโทสะถ้าเราไม่ต้องการมันจริงๆมันจะอยู่กับเราไม่ได้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 ไม่ใช่ตัวม่ใช่ตัวเราดูเรื่องๆ เ, เป็นระยะระยะครับแต่สุแล้วเพราะความจําความจํานั้นเปรียบเหมือนมือที่เปียกน้ํานะครับแล้วเราซุกลงในทายแห้งจะห้ามไม่ให้ทายติดขึ้นมานี่ไม่ได้ความจําคนทั่วไปนั้นยังเปียกชื้นไปด้วยความปรารถนาคือชอบจำเมื่ออารมณ์ที่ เ, เองปรารถนาไอ้สิ่งที่ไม่ปรารถนาก็จํากั น, กนแต่จํำในแง่ลบใครด่าเจ็บๆก็จําไว้หรืออะไรที่อร่อยเพลิดเพลิพพนก็จะจําไว้ ฉนันกระบว น, นการความจำของเราจรึงย้อนอดีตเพราะวัคภวงแต่อารมณ์ที่เคยลิ้มเคยลองและย้อนมากลายเป็นความหวาดกลัวที่พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจดูตัวอย่างซึ่งเป็นเรื่องความตายที่จริงผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้กลัวตายถูกอาจจะกลัวเจ็บหรือกลัวผลสืบเนื่องในความตาย แต่เราจะกลัวสิ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ไม่ได้ครับมันผิดหลักในแง่จิตวิทยาหรือในแง่ประสบการณ์นะครับเด็กเล็กๆไม่เคยรู้จักไฟเขาจะไม่กลัวไฟหรือไม่รู้จักมีดคมๆเขาจะไม่กลัวมันแต่ว่าก็แตะสักครั้งนิดเจ็บเขาจะจําทันทีนะครับทีหลังเขาจะเริ่มสร้างมณูภาพจากประสบการณ์ของอดีตเพียงเห็นใบมีดเท่านั้นศึกเสียว่ากแล้วพอคิดว่ามีดจะบาดรู้สึกมันจะบาดจริงๆแล้วครับ ประสบการณ์นี้ถ้าสมมติมีดบาดในขณะที่มีดเฉือนไปในเนื้อตอนนั้นไม่เจ็บเท่าไหร่ครับเม mm ื hmm. ่อเราถูกเชิญให้ขึ้นพูดในที่ประชุมก่อนขึ้นเลยครับกลัวมากๆแต่ตอนอ้าปากพูดแล้วก็นด้งจะหายไปความกลัวมีเรื่องขาขันว่าอัลเบอ ร, ร์ลินคอล์ก่อนขึ้นพูดซึ่งเขาก็เป็นนักพูดตัวเองครับ ขอให้สัมภาษณ์ก่อนจะพูดผมกลัวแทบตายเลยนะว่าแต่พออาบาพูดตายก็ไม่กลัวแล้วการเช่นนี้ครับคือเรามีการคาดเดาไปล่วงหน้าอ น, นื่งจากประสบการณ์ของความทรงจําของอดีตดูเนวิธีชีวิตของเราอยู่ตรงนี้วิถีชีวิตของเราเป็นการวิถีแห่งการค า, า, าดเดาไปโดยปริยายเป็นวิถีแห่งความตรึกนึก และมิถิของตะกะคือคิดแยกแยะตลอดเวลาคาดการ์พยากรนั้นมิถิแห่งความตรึกหรือวิธีแห่งตะกาะจะต้องถูกเปลี่ยนยุทธวิธีครับการโพวนานั้นไม่ใช่อะไรอย่า น, นะครับคือยุทธศาสตร์แห่งการดารงชีวิตอยู่ใหม่แทนที่จะคล้อยตามกระแสความคิดยแยกแยะเราเปลี่ยนเนยุทธศาสตร์แห่งสัมผัสบริสุทธิ์ฐานของมันคือความรู้สึกตัวครับ เราก็ะพิบตามมีความสึกสดประการหนึ่งปรากฏขึ้นเมื่อหายใจเข้าหายใจออกพร้อมเป็นประสบการณ์จริงซึ่งรามารรคเลีว้วปัจจุบันขณะแต่ประเด็นนี้ครับที่เป็นประเด็นฉกัดจักันรรั่นคือว่าการเปียนยุทธาสารตนี้เป็นสิ่งที่ยากยิ่งครับเนื่องจากเราติดยึดในอารมณ์เราจํามันอย่างมั่นคงดังที่ผมยกตัวอย่างว่าความตายนะครับเราไม่น่าจะกลัวตายเพราะาเราไม่ไม่เคย มีประสบการณ์ของความตายแต่ถ้าใครบางคนอาจจะคิดว่าเราอาจจะตายในชาติปางก่อนมันสังสมประส บ, สบการณ์นั้นไว้ก็ได้คิดถึงนี้ก็ดีครับแต่ผมจะไม่เล่นเลยไปสู่ประเด็นนี้นะครับความกลัวตายนั้นที่จริงเราไม่ได้กลัวครับถ้าเรากลัวจะพลัดพรากจากชีวิตซึ่งเราชิมแล้วคือชีวิตที่เราดำรงอยู่เรามีตามีหูมีจมูกมีลิน้นมีกายมีใจสาหรับรับรู้อารมณ์ ดังนั้นเราลิ้มเข้าแล้วครับตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาเรารู้รสหวานเปรี้ยวเค็มมันอร่อยได้ดังใจไม่ได้ดังใจเราล้วนแล้วแต่เต็มอกดด้วยความรู้ประเภทนี้นะครับแล้วความสึกอกปรการหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่ามันยังไม่พออายุขายที่ธรรมชาติให้มานี่ไม่พอสำหรับเราตอนอายุเก้าสิบแล้วเราสิขออีกสิบปีหรือห้าสิบปีหรือตลอดกาลก็ยิ่งดี